แล้วก็ตายเราเกิดมาแล้วเราก็รังจากพ่อแม่ของเราไปทำหน้าที่ตามชะตาชีวิตที่เป็นมาของดาวเองเราก็จะต้องมีเพื่อนฝูงมีทั้งคนยินดีและไม่ดี เข้ามาในชีวิตของเราเราเองก็จะต้องไปมีลูกมีพันธะผูกพันมีหน้าที่ที่จะต้องทำจะ ต, ต้องเรียนลูกเมื่อลูกของเราโตมาลูกของเรา ก็ต้องเป็นเหมือนกันกับเราอีกเขาก็จะต้องมีหน้าที่ที่เขาจะต้องไปทําตามสัญชาติชีวิตของเขาที่เขาได้เคยได้ทํามาในการก่อนเขาก็จะต้องมีคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขา ทั้งที่ดีและไม่ดีเส้นเดียวกันแล้วก็ ต, ต้องเป็นอย่างนี้วนไปวนมาไม่รู้ตัดจบชิน้นในเช้าของวันนี้ตื่นขึ้นมาเมื่อพิชรณานดูแบบนี้ก็ไม่รู้ ว่ามนุษย์เราเกิดมาทำอะไรกันตบไปในชาตินี้ก็ต้องมาเกิดใหม่ในชาติหน้าเดินทางไม่รู้จะจบสิ้นสักทีบางทีก็เกิดมาเป็นคนรวยบางทีก็เกิดมาเป็นคนชน ไม่ว่าจะเกิดมาในรูปแบบไหนต่างก็มีความทุกข์ต่างก็มีหน้าที่และก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนเหมือนคันไปไม่มีใครสุขสบายไม่มีใครที่เกิดและเม่ตายเลยสักคนหนึ่ง เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเผชิญกับปัญหาไม่เว้นในแต่ละวันเรื่องหนึ่งจบไปเดี๋ยวเรื่องหนึ่งก็เข้ามามีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีใยังถูต้องมา น, นั่งเจ็บ ป, ป่วยเพราะร่างกายอีก เดีก็เสร็จตรงนู้นยังก็เสร็จตรนนี้ลักใจที่ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ก็ยังคงต้องเหนื่อยอยู่และหากตายไปก็ยังไม่รู้ว่าสไปไหนเราเกิดมาทำอะไรบนโลกนี้กัน ใครคือคนไี้เขียชีวิตของเราสวรรค์ไม่ยุติธรรมเลอทำไมบางคนถึงเป็นสุขกว่าบางคนถึงเป็นทุกข์กว่าบางคนทำแต่สิ่งไม่ดีแต่กลับได้ดีบางคน ทำแต่ความดีแต่กลับได้รับแต่ผลที่ไม่ดีตอบคืนมาดวงชะตาของแต่ละคนทำไมถึงต่างกันไปและหากสวรรค์ไม่ยุติธรรมนั้นจะเป็นไปได้หรือลอดสวรรค์ ก็คือผู้ที่จะต้องมีความเที่ยงธรรมที่จะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแบบเพราะอะไรนะที่ทําให้เราต้องมาเป็นแบบนี้ทํมมาให้เราต้อง ม, มาอยูมม่ในความทุกข์ในแบบนีมม้ พวกเราไปหาคำตอบกันนะจ๊ะหนูจะไปหาพ่อแม่คนอีน่นเพื่อทุนถามถึงสาเหตุหล่านี้เมื่อหนูไป้า้า่พ่อแม่ท่านในดินแดน ความส ง, งบสุขเมื่อหนูเดินทางไปถึงที่นั่นหนูเชินั่งลงแล้วก็กราบนมสัส ก, การพรอแม่ท่านพร้อมกับถามพรอแม่ท่านพรอแม่เจ้าขาเพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องเป็นทุกข์ อย่างนั้นหรอเจ้าคะและเราเหตุใดแต่ละคนจึงมีชะตาชีวิตที่ต่างกันไปและพร อ, อะไรมนุษย์จนน่าเจ็นทุกข์ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่ตจบไม่ชินชัดทีหระอเจ้าคะ ท่านมพ่อแม่ท่านฉึ้ตอบกลับมาว่าควรอิ่มน้อย่านที่มนุษย์เราต้องวนเวียนอยู่แบบนี้ก็เพราะว่าต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาทำบางคนก็มีหน้าที่มาทดสอบ เรียนรู้เพื่อหาความหลุดพ้นบางคนก็เคยทำกรรมมาในการก่อนเยอะจึงต้องมาชดใายกรรมและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสวรรค์ไม่ใช่คนดีขีดให้แต่เป็นผลของการกระทำ ที่ทีกขีดชนชีวิตของแต่ละคนต่างหากหากว่าคนเรากระทำสิ่งใดไปก็ย่อมที่จะได้รับผลของการกระทำนั้นๆแต่หากว่าเรารู้ที่มาที่ไปของดวงจิต เราว่าดวงจิตของเรานี้ก่อเกิดมาจากที่ไหนเกิดขึ้นมาด้วยสิ่งใดและมีหน้าที่อะไรที่จะต้องมาทำบนโลกและได้ทำหน้าที่ของตนบ้างแล้วหรือยัง หรือกำลังหลงผิดอยู่หรือติดนี่กรรมอะไรไว้ที่จะต้องเกิดมาเพื่อชดใช้และจะได้หมดนี่กรรมนั้นไปจะได้กลับไปสู่สวรรค์หรือที่ที่หลุดพ้นเช่นพาณิพาน โลกมนุษย์ถูกลิขิตขึ้นมาให้เป็นเครื่องจัดวัดเครื่องคัดคลองดวงจิตให้ขึ้นหรือลงให้วนกลับมาเพื่อคัดคลองใหม่มันจึงมีหลัก ห, หลายรูปแบบในการที่จะมาอยู่ในโลก ใบนั้นและหากเทียบกับโลกสวรรค์ที่นั่นก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เราลงไปเล่นเกมหรือไปเพื่อสร้างบารมีคัดกรองค้าหนุนดวงจิตของตนเท่านั้น สิ่งที่ตนนั้นได้รับนั่นก็ยอมที่จะมีเหตุของมันอยู่คนที่ทำดีแต่กลับไม่ได้ดีก็มีสองรูปแบบในอีกแบบหนึง่งก็คือการที่ได้สร้างกรรมเอาไว้และตนต้องมาชดใช้ นิกรรมนั้นๆโดยการทำความดีไปลบล้างนี่กรรมเก่าไม่ว่าจะทำมากแค่ไหนก็จะไม่มีค่าอะไรเหมือนกันกันกบคนที่ติดนี่เราแล้วมาใช้นี่คืนเมื่อให้คืน เราจึงมองไม่เห็นค่าอะไรแต่บางคนก็ทำดีแต่ไม่ได้ดีนั้นก็คือการทดสอบความอดทนทดสอบคุณงามความดีว่าเราจะเป็นคนดีจริงหรือเปล่าหากมีสิ่งที่ไม่คาดคิด ไม่เหมือนที่เราวางเอาไว้หวังเอาไว้เราจะผ่านพ้นไปได้ไหมให้มีสุขมีทุกข์มีสิ่งที่ดีและไม่ดีเ็ามาทดสอบตัวของเราเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และจะได้ไปสู่ ความหลุดพ้นนั่นก็เป็นการทดสอบดวงจิตในอีกแบบหนึง่งและการที่คนเราเกิดมามีความทุกข์ความสุขไม่เท่ากันบางคนก็ลำบากมาก างคนก็สบายนั่นก็เป็นผลของการกระทา ม, มาในการก่อนในอดีตอาจได้เคยสร้างสิ่งที่ดีไว้เยอะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเอาไว้ค้ำหนุนตนพาอเกิดมา จึงได้มีชตาชีวิตที่มาอยู่ในครอบครัวที่มั่งมีหรือทำการสิ่งดใดเพื่อจะประสบความสำเร็จตนจึงเป็นผู้ที่มีความสุขและสบายกว่าส่วนคนที่ลำบากคนผู้นั้นในการก่อน อาจเคยได้สร้างกรรมกับคนอื่นไว้จึงต้องถูกเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมและทำโทษและบางคนอาจไม่เคยได้สร้างกรรมอะไรไว้เลยแต่ที่ต้องเกิดมาลำบากเพราะตนก็ไม่เคยได้สร้างบุญเอาไว้เช่นเดียวกัน เมื่อไม่มีบุญจึงไม่มีสิ่งใดคำนุนทำการสิ่งใดจึงเป็นสิ่งที่ทุกยากและลำบากทำไปเท่าไหร่จึงไม่งอกเงยกลับมาพระตนไม่มีบุญไม่มีบารมีที่จะคำนุนทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ และแน่นอนว่าสวรรค์ น, นั้นย่อมไม่ลาเอียงอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่จะกลับมาตัดสินดวงจิตทุกดวงได้ขึ้นอยู่กับผลของการกระทาซึ่งถูกลิฉิตเอาไว้ยอยู่แล้วในกฎของธรรมชาติในกฎของ เพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเกิดมาจะต้องมีชะตาชีวิตเป็นของตัวเองมีผู้ที่ผ่านเข้ามาดีและไม่ดีมีความทุกข์ยากลำบากความสุขสบาย ผ่านเข้ามาในชีว e ิตของตนทั้งหมดนั้นย่อมเป็นผลของการกระทาของดวงจิตนั้นๆเมื่อพระองค์ท่านพุทธเจ้านอจึงทนตอบพระองค์ท่านไปอีกว่าพละแม่เจ้าขาเมื่อวันก่อนน้น โนเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่มีลูกและแถมยังป่วยเป็นโกคน้นโลก น, น, ลกนี้ไม่จบไม่ชิน้นและเขาเองก็ปันถนาที่จะมีลูกมากแต่เขา ก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้เลยนั่นเป็นเพราะวิบากกรรมอันใดหลั่เน่าคะที่ช่งผลให้ผู้หญิงคนนั้นถึงได้เป็นเส้นนั้นเมื่อหนูถามและแม่ท่านจบปละแม่ท่านจึงตอบลับมาว่าเอาละคนอิ่มน้อย นี่ก็จะถือเป็นตัวอย่างในกรรมนิคิตในวิบากกรรมที่เขาได้ทำมาในการก่อนให้เป็นธรรมะทานได้สุญาตยมให้ผู้ฟังที่รับฟังธรรมะของคนอิ่มน้อยอยู่ได้ฟังเป็นธรรมะทานนะจ๊าลูกมท่าน จึงตอและพูดกับหนูว่าผู้หญิงคนนั้นในอดีตชาติการก่อนเขามีอาชีพในการค้าขายปลาในแต่ละวันเขาจะจับปลาเพื่อไปขายที่ตลาดเพื่อเลี้ยงชีพของตน แล้วก็จะมีช่วงที่เป็นหน้าปลาตั้งไข่อยู่เป็นฤ ด, ดูการของการตั้งไข่ของปลาเขาก็ยังไม่หยุดในการที่จับปลาเพื่อไปขายและหากจับได้ตัวไหน ที่มันมีไข่อยู่ในท้องเขาผู้นั้นก็ดีใจมากที่จะปลามีไข่ได้และจะได้ขายได้ราคาเยอะๆเขาก็นำไปขายบริโภคและกินอยู่ อาศัยอยู่บนชีวิตของผู้อื่นแลนเมื่อครั้งตายไปเขาก็จึงต้องไปชดใช้กรรมนั้นๆก่าจะได้กลับมาเกิดในชาตินี้เขาต้องไปเกิดเป็นปลาสิบแปดชาติต้องเกิดเป็นสัตว์ต่างๆ เาอยากว่าจะวนกลับมามนุษย์ขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในครั้งนี้เขาต้องผ่านการชดใช้กรรมมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาได้สร้างกรรมเอาไว้กับชีวิตของผู้อื่นเขาไม่เพียงแต่ ับมากินเป็นอาหารแต่กลับจับมาขายเพื่อแลกกับเงินทองเข้าของแถมยังไม่รู้สักบาปบุญคนโทษละเว้นในช่วงเวลาที่ควรจะละเว้น และผลของกรรมนั้นที่ส่งผลตามมาจากที่เขาชอบจับปลาที่มีไข่มาขายจึงส่งผลให้ไข่ ใ, ในมดลูกของเขาไม่สามารถที่จะก่อตัวขึ้นมาเป็นลูกได้และการที่ฆ่าสัต ทำมาหา ก, กินบนชีวิตของสัตว์ก็ส่งผลมาให้เขาต้องมาเป็นโลกนูน้นโลกนี้มีปัญหาทางสุขภาพและทำให้เขาต้องเป็นทุกข์เพราะตนไม่สามารถจะมีบุตรได้ตัวของเขาเอง ก็ป่วยอ่อนๆแอดๆไม่สามารถที่จะทำมาหากินตามคนปกติได้และไม่ว่าจะทำกรรมทำการอะไรได้เงินมาเท่าไหร่ก็จะต้องเอาไปเลี้ยงเอาไปรักษาตัว เอาไปทําพิธีขอลูกนั่นเป็นวิภากกรรมของเขาที่ต้องมาชใช้ในส่วนอื่นๆก็ทําให้เขาไม่ได้รับความรักความเข้าใจมาจากความคนรอบข้าง เพราะมีปลาเหล่านั้นที่เป็นเจ้ากรรมในเวรและคอยทำให้คนรอบข้างของเขาหงดหงิดโมโหเครียดกับสิ่งที่เขาเป็นทั้งที่เขาก็ป่วยจริงๆแต่ว่าคนรอบข้างก็มักจะ มองว่าเขาแกล้งป่วยและไม่มีความเห็นใจทำให้เขามีความทุกข์มากนั่นก็คือผลของการกระทำที่ผู้หญิงคนนั้นได้เคยก่อมาในการก่อนเมือเ่อพระแม่ท่านพุทดเ หนูจึงโทนถามท่านต่อไปอีกว่าแล้วไม่เจ้าคะแล้วถ้าหากว่าเราค่าสัตว์เราว่าจะนัมากินไม่ได้เอาไปขายแต่ว่าเราค่าเพื่อนนำมากินเส้นประชปามาเพื่อกินแล้วเจ้าคะเราจะมีโทษหนักนะเจ้าคะ เมื่อหนดถามและแม่ท่านชบและแม่ท่านจนึงตอบกลับมาว่าหนึ่งชีวิตก็ย่อมมีค่าเท่าเทียมกันหากว่าเราจับมันมาเพื่อบริโภคเพื่อกินแต่ไม่ได้นำไปขายนั่นก็เพื่อความอยู่รอด ของมนุษย์และเป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ย่อมที่จะทำกันแต่ว่าเราก็จะมีผลของกรรมติดอยู่และจะไม่สามารถที่จะทำให้ดวงจิตของเราหลุดไปสู่ภูมิที่เป็นภูมิของเทพเทวดาได้เลย เพราะการที่เราเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นนั่นก็ยังถือว่าเราทำผิดศีลในข้อห้ามและยังมีกรรมที่เราก่อขึ้นอีกและหากว่าเราทำเยอะๆนั่นก็ย่อมที่จะส่งผลไปถึงอนาคตที่เราจะต้องมาชดใช้กรรม และเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเพื่อชดใช้วิบากกรรมนั้นๆตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายให้จบไม่สิน้นการฆ่าสัตว์เพียงแค่ต้องการสักินแต่ไม่ได้นำไปขายมันก็จะมีโทษที่น้อยลง กว่าคนที่นำไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นอื่นอีกแต่ท้ายที่สุดก็ย่อมที่จะไม่หลุดจากการเป็นมนุษย์และจะต้องกลับวนกลับมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้กรรมนั้นๆจนไม่จบไม่สิ้นหากใครที่ปรารถนา ความหลุดพ้นวิสุภูมิของเทพเทวดาและความหลุดพ้นอย่างแท้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องละเว้นต่อการฆ่าสัตว์นั่นจึงเป็นข้อยกเว้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ในสินข้อ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมผลของการที่จะได้รับในการกระทําก็ขึ้นอยู่กับเจตนาหากว่าเราเจตนาที่จะฆ่าเพื่อมากินเรา ก็จะต้องเกิดแก่เฉียบตายไม่หลุดพ้นจากการตายก็ต้องเกิดและต้องตายอยู่อย่างนั้นหากเราเจตนาที่จะเอาชีวิตของผู้อื่นมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินเงินทองหากตายไปในภายภาคหน้า เราก็จะต้องมันเหนื่อยมาทำมาหากินมาทุกหาเงินได้เท่าไหร่ก็จะต้องเอาไปรักษาตนหรือจะต้องนำเงินเหล่านั้นไปให้กับผู้อื่นซึ่งเปรียบก็เป็นสัก์โลกเช่นเดียวกันเพื่อทดใช้กลับคืนไปสู่เขาเหล่านั้น จนกวา่าจะละเลิกต่อการสร้างวิบากกรรมเข้าใจไหมเพราะพ่อแม่ท่านพูดจบหนูเชิงกลับนะ้ำมสัสคารลาพ่อแม่ท่านแล้วก็กลับออกมาจากที่นั่นกลับมาชี้ท่านผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับได้มาถ่าทอรธรรมคบสอนลงทิศ เ, ออเพื่อมาเผยแฟ่ให้กับท่านชนได้ได้ฟังกันเพราะฉะนนั้นถ้าท่านผู้ฟังปัตย์หนาที่เธอชอบ่าตัวองท่านนั้นเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรจะไปไหนท่านหาคำตอบได้จากคนยินน้อย